ศึกษาสาด้านเพื่อพัฒนาอย่างบูรณาการครบสี่พัฒนามรคคาชีวิตด้วยการศึกษาที่สอดคล้องเอาการฝึกจากข้างนอกเข้าไปขับเคลื่อนกระบวนชีวิตข้างในได้บอกแล้วว่าต้องรู้หลักกิจในอริยสัจและปฏิบัติต่ออริยสัจแต่และอย่างนั้นๆให้ถูกต้องถูก บอกว่าต้องจับให้ได้ว่าเป็นทุกข์อะไรอย่างไรสมุทัยบอกว่าต้องทำให้หมดเหตุสิ้นปัจจัยนิโรธบอกว่าต้องทำให้สาเร็จโดยหักปัจจยาการให้ได้แล้วมรรคก็ปฏิบัติตั้งแต่วินิจฉัยจับทุกข์ให้ได้และเมื่อรู้เหตุปัจจัยของมันรู้จุดที่ต้องแก้ไขแล้ว ก็ลงมือทำให้สาเร็จผลไปตามนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนแพทย์จะบำบัดโรครักษาคนเริ่มต้นต้องวินิจฉัยจับให้ได้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วสืบค้นให้ได้ว่าเชื้อหรือตัวก่อการโรคคืออะไรแล้วการบำบัดจะสาเร็จหายโรคได้อย่างไรเช่นด้วยการให้ยาพวกไหนผ่าตัดที่จุดใดจากนั้นก็ถึงมรรค คือดำเนินปฏิบัติการในการบําบัดรักษาจะสั่งยาอะไรอะไรเท่าไหร่จะผ่าตัดจะทํากายภาพบําบัดเป็นต้นก็ดําเนินกันไปบอกแล้วว่าอริยสัจสมข้อแรกเป็นเรื่องของหลักของกระบวนของธรรมชาติเราจะให้มันเป็นไปตามนั้นมนุษย์ก็ต้องลงมือทําลงมือปฏิบัติตามมรคมรจึงเป็นเรื่องของมนุษย์ โดยที่ว่าเมื่อเรารู้หลักรู้กระบวนในสมข้อแรกนั้นแล้วเราก็สามารถมาจัดวางเป็นระบบปฏิบัติการในการทำให้สำเร็จได้อย่างดีที่สุดพระพุทธเจ้าก็คือทรงรู้หลักรู้กระบวนของธรรมชาติที่นำมาเรียกว่าอาริยสัจส์มข้อนั้นชัดแจ้งแล้วจึงทรงจัดวางระบบกระบวนวิธีปฏิบัติเรียกว่ามรคเป็นอริยสัจข้อที่สี่ขึ้นมา ตามหลักกิจแนวริยศร์นั้นหน้าที่ของเราต่อมักคือภาวนาที่แปลว่าพัฒนาคือลงมือทาปฏิบัติทำให้เจริญเพิ่มพูนก้าวหน้าไปโดยมุ่งเป้าใหญ่ไปที่ทุนปัญญาที่เป็นสมมาทิฏฐิตัวนำกระบวนชีวิตที่พูดไปแล้วทีนี้มักนั้นเป็นกระบวนชีวิตเป็นเรื่องการเจริญพัฒนาภายในชีวิตของแต่และคน ตั้งตนแต่พัฒนาสัมมาทิฏฐิอย่างที่ว่าแล้วแต่มนุษย์นี้ด้วยปัญญานี่แหละก็รู้จักที่จะจัดการจากภายนอกมาช่วยให้คนพัฒนากระบวนชีวิตข้างในด้วยตัวอย่างง่ายๆก็คือในการที่คนจะพัฒนาปัญญาของเขานั้นคนอื่นก็มาช่วยให้เขาพัฒนาตัวของเขาได้เป็นการจัดการจากภายนอกเหมือนกับมาป้อนอาหารให้ แต่ที่จริงก็คือเขาต้องเคี้ยวต้องกลืนอย่างน้อยต้องย่อยเองและแม้แต่ที่มาป้อนให้นั้นก็เป็นการมาช่วยให้ฝึกตัวให้หัดตักกินเองได้ต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิมีสองอย่างคือหนึ่งปัจจัยภายนอกปรตโตโขสะเสียงจากผู้อื่นเช่นครูอาจารย์สื่อที่ดีกัลยาณมิตร มาบอกเล่าแนะนําบรรยายอธิบายให้ฟังข่าวสาร 2. ปัจจัยภายในคือโยนิโสมณสิการทำในใจโดยแยกไข่รู้จักคิดรู้จักพิจารณาเช่นคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดค้นสืบสาวเหตุปัจจัยปัจจัยภายนอกก็มาเชื่อมโยงกับปัจจัยภายในได้ด้วย อย่างในสองข้อนี้ครูอาจารย์กัลยาณมิตรก็มาแนะนำสอนบอกวิธีให้คนนั้นๆฝึกตัวให้รู้จักคิดรู้จักโยนิโสมนสิการนี่คือปัจจัยภายนอกมาช่วยชักนำเป็นปัจจัยให้เกิดปัจจัยภายในการประสานปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกการทิ่คนอาศัยปัจจัยภายนอก เช่นคำสอนคำบอกเล่าชักนำหรือรู้จักใช้ปัจจัยภายนอกเป็นเครื่องนำในการฝึกตนของเขาที่จะทำให้กระบวนชีวิตของตนพัฒนาขึ้นไปนี้เรียกว่าเป็นสิกขาคือการศึกษาการเรียนรู้การฝึกการหัดพระพุทธเจ้าทรงใช้ความรู้ในการพัฒนา ม, มาจัดตั้งวางระบบสิกขาคือการศึกษานั้นขึ้น ้วยสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาชีวิตของคนที่มีสามแดนคือปัญญาพฤติกรรมแห่งศีลและจิตใจหรือสมาธิแต่ในสิกานี้ทรงลำดับใหม่เป็นพฤติกรรมแห่งศีลจิตใจหรือสมาธิและปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาคือการศึกษาสามด้านเป็นอันว่า กระบวนกรมัคมีสาคือปัญญาศีลฐ์สมาธิหรือจิตใจระบบสิกขามีสามคือศีลฐ์สมาธิหรือจิตใจและปัญญาทำไมจึงลำดับใหม่แทนที่จะเริ่มที่ปัญญากลายเป็นเริ่มที่ศีลคือด้านพฤติกรรมนี่คือว่ามัคซึ่งเป็นกระบวนชีวิตในตัวคน ก็เป็นของมันอย่างนั้นดังได้บอกแล้วว่ามักคือกระบวนชีวิตเริ่มด้วยปัญญาสัมมาทิฐิเป็นตัวนำแล้วกระบวนกก็ดำเนินไปตามธรรมดาแห่งธรรมชาติของมันแต่การศึกษานี่เป็นการจัดการของคนที่ทำจากข้างนอกเข้าไปซึ่งต้องดูให้เหมาะว่าจะทำอะไรอย่างไรที่จะไปขับเคลื่อนไปหนุนไปดุลไปดั น, ดนให้กระบวนรชีวิตนั้นพัฒนาไปอย่างได้ผลดี บางทีก็ไปเสริมไปซ่อมเป็นจุดเป็นตอนมันเหมาะกันหรือต้องการตรงไหนก็ไปจัดการตรงนั้นเรื่องระบบศิกขาหรือการศึกษานี้จะพูดอีกยาวข้างหน้าในที่นี้จะพูดแค่พอเห็นลักษณะทั่วไปของปรายสิกขาที่ต่างออกไปจากมักแต่มาจัดแต่งเสริมเติมมักนั้นให้สมบูรณ์โดยจัดให้คนศึกษาเพื่อพัฒนามักของเขา สิกขาเป็นการจัดการจากข้างนอกเอาวินัยที่เป็นข้อสิกขาบทเป็นกฎกติกาให้คนฝึกเพื่อพัฒนาศีลเอากรรมฐานให้คนฝึกเพื่อพัฒนาสมาธิจิตเอาอุเทศนิเทศปริบุตรฉาสักัฉาปัญหาวิใจัยให้คนฝึกเพื่อพัฒนาปัญญาสิกขาเริ่มต้นที่ศีล คือเรื่องพฤติกรรมทางกายวาจาที่แสดงออกภายนอกเป็นส่วนที่ปรากฏในการดาเนินชีวิตและไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นสิ่งอื่นที่นอกตัวที่แวดล้อมคือทางสังคมและทางกายภาพซึ่งจำเป็นสำหรับการที่จะมีชีวิตอยู่ให้รอดให้ดีจึงจำเป็นต้องรีบจัดการให้เป็นไปด้วยดีให้เร็วไวทันการแต่เริ่มต้นในเรื่องพฤติกรรมนี้แหละ เมื่อคนมีชีวิตเป็นอยู่ก็จำเป็นต้องมีพฤติกรรมพอแสดงพฤติกรรมตอบสนองอะไรอย่างไรโดยเร็วไวก็จะเกิดเป็นพฤติกรรมเคยชินซึ่งติดตัวไปเรียกได้ว่าตลอดชีวิตการศึกษาจึงรีบเข้ามานำพาจัดการในการฝึกหัดหรือชวนให้ทำในทางที่จะมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีไปแต่ต้นเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการฝึกวินยัย ซึ่งจะทําให้ได้เป็นศีลคือเป็นปกติประจําตัวอย่างนั้นและเมื่อออกไปแพร่ในสังคมก็เป็นวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะความเจริญหรือไม่ของสังคมนั้นเรื่องของศีลที่ปรากฏ ต, ตามพฤติกรรมทางกายวาจาการหาเลี้ยงชีพนี้เทียบกับเรื่องจิตใจและปัญญาก็เป็นของหยาบ ป, ปรากฏมองเห็นง่ายและจัดการได้สะดวกกว่า และในเวลาที่เราจัดการกับพฤติกรรมนี้ก็เป็นธรรมดาตามกระบวนการของชีวิตที่องค์ฝ่ายจิตใจและองค์ฝ่ายปัญญาก็ย่อมทำงานหรือดาเนินไปด้วยเราก็จึงใช้การฝึกพฤติกรรมนี่แหละเป็นสื่อให้ได้ฝึกจิตใจและฝึกปัญญาไปด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาที่จะต้องให้รู้เข้าใจพฤติกรรมหรือเรื่องที่ฝึกนั้น และถ้าจะฝึกศึกษาให้ได้ผลดีก็เน้นโดยตรหนักไว้ด้วยให้ฝึกศึกษาด้วยความรู้เข้าใจไม่เพียงเรื่องที่พูดที่ทำแต่รู้เข้าใจเหตุผลความมุ่งหมายเป็นต้นของกรณีนั้นๆให้ได้อย่างดีก็จะเป็นการพัฒนาสัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวนำกระบวนชีวิ ต, ตรงจุดหัวใจของการพัฒนาก็จะเป็นการศึกษาที่สมชื่อแท้จริง ติกรรมที่เป็นเรื่องของศีลนี้ดังว่าแล้วเป็นเรื่องออกมาข้างนอกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมื่อมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมดีอยู่ร่วมสังคมได้ดีเกื้อกูลกันตั้งแต่ไม่มีความหวาดระแวงภัยและความเดือดร้อนใจมารบกวนเป็นต้นไปก็เป็นพื้นฐานให้แก่การพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาและให้โอกาสแก่การพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญานั้น เช่นจ er ิตใจน้อมไปสู่ความสงบปราณีตขึ้นพร้อมที him, days, ่จะมีความสุขมีเวลามีโอกาสมีความร้อมมากขึ้นที่จะคิดค้นคว้าไตรตรองเรื่องราวและทำการที่จะให้ปัญญาได้พัฒนาเมื่อเป็นเรื่องที่คนจัดการได้ไม่ใช่ต้องไปในกระบวนตามลำดับอย่างในมักสิกขาคือการศึกษาดูว่าตรงไหนส่วนไหนหย่อนอ่อนไปบวกพร่อง หรือควรจะให้เข้มขมพิเศษก็ไปจัดการซ่อมเสริมเติมแต่งเน้นการฝึกการทำให้เข้มแข็งมั่นคงเป็นจุดเป็นส่วนเป็นแห่งแห่งไปก็ได้ในแดนของจิตใจและปัญญาเอาเป็นว่ายังไม่ต้องพูดถึงแต่แง่หนึ่งที่ควรเน้นไว้คือที่จัดแดนจิตใจไว้ก่อนปัญญานั้นเพราะจิตใจเป็นที่ทำงานของปัญญา จึงเน้นการฝึกเตรียมจิตใจให้พร้อมดีที่สุดสำหรับการทำงานของปัญญาเช่นให้เป็นสมาธิมีจิตที่สงบใสปัญญาจะได้มองเห็นชัดเจนไม่มีอะไรรบกวนไม่มีอะไรบงังให้เป็นจิตที่มีตตระมัชฌะตุเปขาคือใจลงตัวกับทุกสิ่งมองดูนิ่งให้ปัญญาเห็นชัดเต็มที่ ตรงตามที่มันเป็นไม่เอยนเอียงไม่ขาดไม่เกินเรื่องสิกขาคือการศึกษาขอพักไว้แค่นี้ก่อนเมื่อจบการศึกษาคนก็พัฒนาเป็นภาวิทดังที่ว่าแล้วหน้าที่ต่อมักได้แก่ภาวนาแปลว่าพัฒนา หรือเจริญคือลงมือทาปฏิบัติจึงมีคำที่เรียกรวมว่ามักคะภาวนาเพื่อช่วยให้มักคะภาวนาคือการพัฒนากระบวนรชีวิตนี้ก้าวไปอย่างดีที่สุดก็จึงจัดตั้งระบบการศึกษาที่เรียกว่าไรสิขาขึ้นมาเมื่อการศึกษาได้ผลดีมักคะภาวนาดำเนินไปสำเร็จสมบูรณ์ก็ทำให้บุคคลนั้นๆเป็นภาวิต คือเป็นคนที่พัฒนาแล้วแยกเป็นสีด้านคือ 1. ภาวิทย์กายมีกายที่พัฒนาแล้วคือมีความสัมพันธ์ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติและวัตถุธรรมรู้จักชื่นชมรมณีดูเป็นฟังเป็นกินเป็นใช้เป็น 2. ภาวิทย์ศีลศีลที่พัฒนาแล้ว คือมีความสัมพันธ์ที่ดีงามเกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมอยู่กันด้วยไมตรีไม่เบียดเบียนช่วยเหลือกัน 3. ภาวิจิตมีจิตใจที่พัฒนาแล้วคือมีคุณภาพจิตดีมีคุณธรรมจิตใจเข้มแข็งเช่นภาคเพียรอดทนมีสติมีปราโมชปีติปัสสธิสุขสมาธิ 4. ภาวิทย์ปัญญามีปัญญาที่พัฒนาแล้วคือมีความรู้เข้าใจเข้าถึงสัจธรรมที่ทำจิตใจให้เป็นอิสระรูร้จักใช้ปัญญาแก้ปัญหาและทำการให้สำเร็จ